ฮะนะร่างทำเก็บตกเรียนสาทยายคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ยินคําพูดคําแสดงคําสอนของพระเจ้าเกิดจากอะไร จึงมาได้ยินคําพูดเช่นนี้เกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรผู้ฉันเข้าเหย่าฉันออกไม่สติอันนี้เป็นตน้นจึงมาเกิดคําพูดขึ้นมาว่ารูปไม่เที่ยงในทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง อินทาีไม่ใช่ตัวตนเป็นภาษาคำพูดมันเห็นได้จึงมาพูดถ้าเราได้ยินแต่คำพูดไม่เห็นไม่ปฏิบัติก็เป็นภาษาโนกแก้วโนขุนทองไปต้นเหตุจริงๆคือปฏิบัติปฏิบัติคือมีสติ มีสตีก็ไปในกายเห็นกายอยู่เป็นประจำแล เ, เห็นมันก็แสดงความเท็จความจริงที่มันเกิดขึ้นกับกายความเท็จความจริงที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจมันแสดงมันสิ่งที่ไม่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่จริงเสมอไป สิงที่เป็นจริงก็เป็นจริงเสมอไปควาจริงมันบอกความไม่จริงมันบอกถ้าได้เห็นแล้วเร่งการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นนี่มันใช่สมองใช่ความคิดแต่พบเห็นไม่ต้องใช่สมองมันเป็นกรรมาฐานเป็นภาวนากรรมธรรมสมผัส เป็นการสัมผัสสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้เป็นเช่นไรหลงเป็นอย่างไรรู้เป็นอย่างไงทุกเป็นอย่างไรไม่ทุกเป็นยังไงโกรธเป็นอย่างไรไม่โกรธเป็นอย่างไรเวลาความหลงมาเท่าไหร่จะเดข็ดลบ เวลาเกิความโกรธความทุกข์ทุลายก็มไม่โกรธก็มไม่ทุกข์มีอยู่ก็มไม่หลงมีอยู่ก็เลยพบเห็นอยางนี้แล้วพบเห็นก็เป็นจริงสัมผัสกับชีวิตจริงจริงเป็นธรรมจริงจริงมีคนมีโทษจริงจริงรวมหลงก็มีแต่โทษรวมทุกข์ก็มีแต่โทษ ก็มไม่หลงก็มไม่ทุกข์ก็ ม, มีประโยชน์สัมผัสเป็นธรรมบอบเองรู้เองไม่มีคำถามนี่คือปฏิบัติตอมน้อ ย, ยก็ค่อยจะไม่รู้อะไรได้รูม้มากๆแล้วก็ทะลุทะลวงได้เหมือนน้ำที่ไหลหลาก เช่นปีนี้น้ำไหลหลากทะลุทะลวงไปอะไรของกันมาอยู่นั้นมากสติเมื่อมากก็มียานยานปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิมันทะลุทะลวงเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันทะลุทะลวงเห็นเป็นรูป เห็นจิตใจเทียมันลู่เลยได้มันลู่เลยได้เป็นวิญญาณธาตุมันเป็นลู่เป็นนามมันจึงทําชั่วมันจึงทําดีมันจึงมีทุกข์มันจึงมีสุขหลงในความสุขหลงในความทุกข์เพราะมีลู่มีนามจิตแท้ไม่ใช่ลายถ้ามีสติก็รู้แจ้ง มันเป็นรูปเป็นนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามรูปก็แสดงนามก็แสดงหน้ามันจริงอย่างไรเท็จจริงอย่างไรก็หมุนอย่างไรแค่ต่างอย่างไรเหมือนพักเกนเมืองฝ่ายข้านอาิปลายไม่แหววังใจอัลตะบาล ให้ขอ้อมูลเลยมารัฐบาลก็มีข้อมูลแค่ตอบโต้ทุก อ, อย่างงดงามตรงตัวมีหลักฐานกลมหลงไม่ใช่มีประโยชน์อะไรก็ไม่หลงมีประโยชน์กลัวนั้นเปลี่ยนหน้ามันแก้ได้ปฏิบัติได้ ต, ตมันช่วยให้เราได้มีพลังมียามมีปัญญาเห็นรูปธรรมเป็นนามธรรมตามความเป็นจริงไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงรูปก็พาไปรูปมันบอกความเท็จความจริงมันมีอะไรบ้างมีขันห้าอหาพูดแต่รูปรูปอาศัย ขันหเป็นธรรมชาติเป็นอาการของขันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นสัญญาณภัยบางอย่างที่มันให้ขันเป็นตามความจริงตามธรรมชาติถ้าขันที่เปอุปทานไปยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวว่าตนก็เป็นทุกข์เป็นโทษลงโทษ ก็ไม่เที่ยงก็ยังปไปตูอวความเป็นเที่ยงเป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงจะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ยังไปเอามาเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ย ง, ย ง, ยงจะให้มันเที่ยงอย่างไรเจีวลากับความไม่เที่ยงออกมาเป็นทุกข์เจีวลากับความเป็นทุกข์ออกมาเป็นทุกข์เราไม่รู้เมื่อเรารู้ล้วก็อาจจะเยี่ยมน้อยๆสักหน่อย ยิ่ในหัวใจรลือเห็นความจริงเห็นของมจริงพบเห็นของมจริงที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามนี่ได้ประโยชน์ได้บทเรียนมันหลงจึิงรู้มันโกรธจึิงรู้แต่ก่อนหลงก็เป็นหลงโกรธเป็นโกรธทุกข์เป็นทุกข์พอเรามีสติมันไม่เป็นอย่างนั้น มันมีทางตรงกันอยู่มีควาหลงก็มีความไม่หลงเป็นอย่างนี้ที่แรกก็แจ้ทวนกร็แฉอย่างหนักพอสมควรมันเคยไหลมีความรักมีความเกลียดชังมีความสุขมีความทุกข์ไปห้อยไปเขียนไว้กับรูปผมน้ำต้องมาเห็นตามความเป็นจริงแล้ว มันก็หลุดง่ายมันก็เป็นอย่างเหนียวบางอย่างมันติดเช่นวิญญาณมันก็ติดสัญญามันก็ติดสังขารก็ขยันปรุงหลงมากกว่ารูปแต่พูดถึงรูปตึงนางไม่รู้รเลยเลยถ้ามันจะแดงมาอะไรก็ค่อยตามมันไป ตามันเกิดความลักกักแต่พื้นแต่พื้นไปถ้ามันเกิดความหยุดชังก็ชั่งแต่พื้นแต่พื้นเพราะเป็นตัวเป็นตนทำตามมันตามตามความรักทำตามความเกลียดทำตามความสุขทำตามความทุกข์สมมุติปัญญาต่อในรูปในนามนี้มีมากมายเป็นวัตถุเป็นอาการ เป็นธรรมชาติของรูปของน้ำเฉยๆแต่เรา อ, อุปทานไปยึ ด, ยดบัญญัติบัญญัติว่าเราว่าตัวว่าตนของเราการบัญญัติต น, นี่เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยสมมติบัญญัติในรูปในน้ำเนี่ยต่ท่านี่มันก็ไม่มีอะไร เรารปบัญญัติเราเอ ง, เองการบัญญัตินี่ต่างกันไม่เหมือนกันในรูปก็บัญญัติในน้าก็บัญญัติในรู ป, ใน ร, ปในรถในกินในเสียงบัญญัติทั้งนั้ น, นบางทีก็โกงเอาบางทีก็ตู่เอ า, างที่ก็แยงเอ า, าการขัดแยงในรูปในน้ำในี่เกิดไปไกล เป็นการดิฉานเปลี่นทำให้เกิดจิตเดตนาความปวดรูปหลงไปแต่พืชแต่เพือไปเมื่อเราหมอลูกรู้จักรูปนามตามความเป็นจริงแล้วมันจะแดงจนหมดเปลือกอย่างที่เราสาธยายเาื่อี่นี่วะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง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 นี่คำพูดเราจะยินอ่านหนังสือแต่มันไม่ลงตัวในชีวิตเราพอเรามาพบเห็นเรามันลงตัวเลยบวกเปียกทันทีลยเมื่อมันทำมันทาเป็นมันเป็นมาพร้อมกันเหมือนคนทำงานเป็นอดออกเขียนได้ไม่จนทำอรไรที่ทําเป็นก็ ไม่คําตอบไม่คําตอบด้วยการเฉลิ้ก็เลยไม่จนคนหลงคือคนจนคนโกรธคือคนจนคนทุกข์คนจนคนที่ไม่หลงไม่จนตระกูลหลงไม่จนตระกูลทุกข์ไม่จนตระกูลโกรธไม่จนตระกูลแก่ความเก็บความตายไปเรื่อยๆไป เป็นกระแสไปเหมือนกับเรามองอะไรเป็นกระแสไปถ้ามีพลังมีความพร้อมต้นไม้มองเป็นเสาบ้านจะสร้างบ้านขนาดนี้จะสร้างยุ่งฉางขนาดนี้จะสร้าเสาที่หนาวก็ร้ให้ได้อย่างนี้นองแบ่งทำแบ่ง ทำได้ออกเรี่ยวออกแรงก็ยันเหมือนเพียงไม่วางทุละทำได้สำเร็จไม่โทษไม่ทิ้งการที่จะมีความเพียรเป็นเช่นนั้นละเงินใจมันทุกเัินใจในความไม่ทุก มีทางไม่จนตัวมันเวลามันปุ้งมันแง่งมีทางออกยุดมิดดดสติโดยเฉพาะิชากรรมฐานนี่ช่วยเราได้เยอะแยะเลยนะช่วยเราได้เยอะเกิดกลัวอย่างร้อนหนักมือมาพลิกขึ้นตั้งบนเขารู้สึกตัวหนึ่งมารู้สึกตัว มันยังจะไปหาความโคกมนอนกับสองรอบสามอ่อกเกี่ยวเลยแค่นั้นกับมานยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาผู้เขียนเข้าเยอะชั้นออกรู้สึกตัวหายใเจเข้ายืดตัวขึ้นบางใบหน้าวางใจใหม่แล้วก็มีพลังอย่างนี้ไม่อ่อนแอ ในความอ่อนแอไม่อ่อนแอเกิดความเข้มแข็งในความหลงเกิดความเข้มแข็งในความไม่หลงในความโกรธเกิดความเข้มแข็งในความไม่โกรธในความทุกข์เกิดความเข้มแข็งในความไม่ทุกข์เหมือนคนขยันหมั่นเพียรไม่โทษแทะนักเอาโบสู้ปฏิบัติธรรมนองให้มีความมั่นใจ ทำได้จริงมันไม่อยู่ที่อื่นมันไม่ใช่ภายนอกมันอยู่กับเราแท้ๆเราทำนาทำบ้านสร้า ง, งานสร้างเรือนหาเงินหาทองดังอยู่ที่อื่นปากของเราไปกับธรรมชาติจริงไว้รอมดินผ้าอากาศแต่นี่เราไม่ได้ปากไปกับอะไรพลิกมือขึ้นก็รู้เลยยกมือขึ้นก็รู้เลยวางมือลงก็รู้ อยู่เฉยๆก็รู้หายใจก็กรู้พิบตาก็รู้โอ้ยมันสะดวกมันเปลี่ยนได้กลับมาลูกกลับมาลูกกลับมาลูกเห็นตามความเป็นจริงในรูปในนามนมันจะแดงจนหมดเปือกจุกอาลมณก็าฐานจบุเบื้องต้นไปถึงทั้งหมดเลยลูกศาสนาลูกบุญลูกบาป คือคนเราเนี่ยคือมันอยู่ในรูปในนามเนี่ยศาสนาคือรูปธรรมนามธรรมเราไม่หลงตรงนี้จะเลินตรงนี้ในความหลงไม่หลงในความโกรธไม่โกรธในความทุกข์ไม่ทุกข์เอาจิตใจมันก็ดีเปลีป่ยนแปลงไปแต่ก่อนโง่ฉึนหลอดขึ้นมา ในความงู้เกิดความฉลาดขึ้นมาในปัญหาเกิดปัญญาขึ้นมาใช่ได้ไมีใจกวาเงเย็นพึ่งได้พึ่งการกระทำได้น้100อยเพอร์เซ็นต์้จากบุญใจดีกว่าเก่าใจเย็นกว่าเก่าน้จากบา่่น้จากาศาสนาคือคนเป็นคนดี จะไม่ทุกข์เพราะลูปเพราะนามไม่เอาลูปไม่นามเบียดเบียนตนเองจะไม่เบียดตนเองจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนอยเปร์เซนต์จนก็หนึ่งจะเบียดเบียนเราก็จะหาวิธีหลบหลีกแค่ไขป้องกันไม่ได้ไม่ได้ความเบียดเบียนเกิดจากความเบียดเบียนก็มีรู้จัก ศาสนาคือคนคนจะโลนในศิลในธรรมพุทธศาสน ภ, ภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานพุทธคือภาวะที่รู้ไม่หลงไม่อ่อนนะฮะโดยจดศีลรู้ จ, ก ส, จกสมาธิโดยจกปัญญาศีลช่วยเราม า, มากสมาธิช่วยเราม า, มากปัญญาช่วยเราม า, มาก ไม่ตกเป็นที่ชั่วเลยรักษาที่แรกก็รักษาศีลต่อมามไม่ใช่รักษาศีลศีลรักษาเราสมาี่รักษาเราปัญญารักษาเราสุดโลกสุดท้ายคือปัญญาโกบกู้ไม่ใช่ศีลสมาธิเฉยปัญญาโกบกู้ เป็นวบลิปปิดวงลิปเปิดได้สุดท้ายโลกลู่โล ก, กโลกู่ในกองสังขารคือลูรทมนามทำนี้เมื่อมารู้ที่นี่ก็รู้โลกมันออกไปจากนี้ไปถึงความเกิดแจเจ็บตายนั่นเหมือนโชว์นะเหมือนโชว์ให้เราได้เห็นแสดงนะ ขันหน้มันแสดงรูปนามรูปธรรมนามธรรมันแสดงจนหมดเปกแสดงตอนสุดท้ายคือขันหน้าแสดงฉากสุดท้ายคือขันหน้ามันจะให้เอาจนหมดเปลือกมาละขันหน้ารูป ว, ว่ามีอยู่จริง เวทนาก็มีจริงสัญญามีจริงสังขารมีจริงวิญญามีกินมีจุจริงมันก็มีมันก็สแสดงก็สแสดงเท่าไห ร, ร่ก็ลูบบนเหมือนกับคน5าคนมีบทบอดรูปก็เป็นลูปเป็นดุนเป็นโก้นจริง เสียงก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปการสัมผัสก็เป็นรูปความคิดก็เป็นรูปไม่ใช่รูปมหาพุดรูปนี่รูปที่มันแสดงว่าราจุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มหาพุทธรูปปุรินน้ำลมไฟนี่นั่นเป็นรูปอุปทาอยารูปเป็นโูกที่มันเป็นอุปทานเป็นยางเหนียว มันจะแดงนะอุาทัรูปนะจะแดงฉากสุดท้ายนะ้วแดงมาทุกอย่ก็เห็ น, น่าว่าวิปัจนนามันเห็นแจ้งเห็นแจ้งมันเป็นยานปัญญายานไม่ไม่อยู่ในต่มมันที่สูง ยานมันอยู่ที่สูมข้ามร่วงก็ที่ไหนมาโอปทาจะรูปม่รูปมันก็แค่นั่นเองคือรูปจริงจริงมันก็อยู่อยู่แค่รูปจริงไม่ไปถึงไหนแดงรูปก็เป็นทุกข์จบอยู่แค่ทุกข์ แต่ว่าวิปัจนาเกิน น, นั่นบริสุทธิ์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ู่เช่นนั่นไปไม่ถึงไหนวิปัจนารูปมันเป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์ชงงโชลองดู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 เมื่อคนห้าคนจับจบทำงานหันหน้าใส่กันเมื่อเราได้ยาเราได้ยาหัานหน้าใส่กันจับจบมันเปิดอะไรกันเปิดปากฏก่อนแล้วกันวางจบหันหลังให้กันหยุดเข้าสู่สภาพเดิม หยุดหลงวางจอบวางเสียมหันหลังให้กันไม่ทำงานเป็นกิริยาลูกเป็นกิริยาไม่ถึงสุขไม่ถึงทุกต์เนทศนาเป็นกิริยาเพียงกิริยาจัญญาเป็นเพียงกิริยาสังขารเป็นกิริยาวิญญาณเพียงกิริยาแต่กับวิญญาณมันติด อล้นี่มันเป็นจิริยาเหมือนปกอากกาเคเมีใช่ไห ม, ม <laughs> ปากกาเคมีมันหมดน้ําหมึกเอาไปเขียนเป็นจิริยาหรือน้หมึกมันหมดแต่ไปเขียนบนกระจก ม, จ ม, มันไม่ติดหลยกิริยาใช่้หญ่ไม่ติดนั้นไม่ติด สุขมันไม่ติดทุกข์มันไม่ติดจะให้รูปเป็นทุกข์เวทนานเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปัญญาเป็นทุกข์ไม่ติดเลยมันไม่ติดหมดถ้าแค่ไหนหรือแค่นีนโลกหนามขันห้าพระพุทธเจ้าจึงว่า เท่าลานุสสาธนีสงสังสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากไปรูปไม่เที่ยงไปธนาไม่เที่ยงสัญญามไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอนุสาธนีพระสาวกทั้ทงหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่วิชาไปรู้โลกโลกวิธีปฏิหารในเนินฤทธิ์คือทํามันให้สําเร็จลทธิที่คือทาสําเร็จ อืจะไม่เอาลูกอ้นา้ำมาเป็นสุขปนทุกข์ไดจะไม่เอาลูกอนามนี่มาบีเบียนตนเอาบีเบียนคนอื่นจะพยายามบอกคนอื่นให้อออย่าเอาลูกอ้นา้นี่ไปไห้เป็นทุกข์มาช่วยคนนี่รู้เรื่องนี่เวลาเห็นคนหลงก็ไม่หลงก็ได้เวลาเห็นคนโกรธไม่โกรธก็ได้ถ้าให้ใครบอก ถ้าบอกเองได้ก็ยิ่งดีนะมันบอกน้อยความหลงจากความไม่หลงได้ความไม่หลงจากความหลงได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์ได้ความไม่โกรธจากความโกรธได้ความไม่เกิดจากความเกิดได้ความไม่แก่จากความแก่ได้ความไม่เก็บจากความเก็บได้ความไม่ตายจากความตายจึงไม่เป็นไปกับความ อากาศต่างไมุทธเจ้าว่าไพ่ไเจ้าตัดสู่พราในมไตัดสู่ได้สศนปัญจวัคีเราเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงทุกเราเห็นแล้วรู้แล้ว เราไม่เป็นผู้ทุกเราพ้นจอกทุกนั่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นแล้วไม่เห็นอย่างไรเห็นชัดเจนเราเห็นแล้วเราเลยไม่พ้นเราไม่เป็นที่มันเป็นทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจอกทุกเห็นสมุทัยทำได้แล้วเห็นสมุทัยเห็นแล้วสมุทัย ทำได้แล้วไม่มีอีกแล้วพ้นแล้วหรือว่านีโน่โลดนี่โลดคือพ้นแล้วจะเลิญแล้วเร็วมากมักม่นจะเลินตรงกันข้าในความหลงจะเลินในความไม่หลงจะว่ายังไงมันจะเิญรีว่ามากคือทั้งไม่จะเลินจะเลินอะไรจะเิญในความโลภชีวิตของเราทั้งหมด เป็นสันต่ำเป็นเวทีของควมรูปสุดตัวภาวะที่เห็นภาวะที่เป็นอะไรเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่ของรูปของนามเห็นไม่เป็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่มากไม่มีอะไรมาตั้งอยู่บนภาวะที่เห็นไม่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรตั้งได้ แจะมาสมว่าที่เป็นสุขวามทุกข์ไม่มีจะให้อยู่ตรงไหนคําว่าเห็นไม่เป็นเนี่ยจะให้มาอยู่ตรงไหนล่ะความโกรธจะอยู่ตรงไหนความทุกข์จะอยู่ตรงไหนความเกิดความเจ็ความเจลีความตายจะให้อยู่ที่ไหนเพราะที่ไม่เป็นอะไรเนี่ไม่ใช่เป็นวัตถุวัตถุแต่ว่ามันไม่วัตถุแต่ว่ามไม่ได้อยู่กับวัตถุมันเป็นอันนี้มันเป็นภาวะที่นี้ ธรรมะถูกนี่รูปนี่มันไม่ใช่ที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่แล้วหายไปเราได้ประโยชน์จากรูปจากนามจึงมีประโยชน์มนุษย์สมบัติมันมีรูปมีนามให้เราได้อาศัยเนี่ยให้ทําดีจนถึงมากถึงผลถ้าไม่มีรูปมีนามเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ดอก ก็ไม่หรอจะทําไม่ได้ให้เราได้เกิดมาให้เราได้เกิดมาถ้าเราทําได้อีกก็ทําให้ลูกเกิดมาอีกก็ได้นะแต่ใครทําได้ก็เลิกบ่อแล้วนะบอแล้วนะถ้าทําม่ได้ก็เอาสร้างลูกสร้างหลานขึ้นมานี่แล้วก็นั่งอยู่นี่พร่ำสมบูรณ์แล้วใช่เถอด ใช่ลูกใช่นามต้องเราให้สำเร็จผู้อยู่เสมอว่าต่อยอดใหม่ต่อยอดใหม่โ ย, อ ด, มยดมันเกิดเจ็เจ็บตายลูกทำนามทำเกิดขึ้นแล้วแจ็เจ็บตายไปลูกทำนามทำเกิดขึ้นแล้วหายไปไม่แล้วหายไปลูกทำนามทำนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็เจ็บตายทำไงที่จะมีประโยชน์ จะเกิดมาเจ็บมาเจ็บมาตายลองให้เสียใจกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่เราเห็นแจ้งแล้วในเรื่องนี้จบแล้วรูปนามขันห้าว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เท่านี้เองอันอื่นไม่มีให้มันจะมากมั้ไงเท่าไหร่ก็ต่ำมันเกิดจากรูปน้ําขันห้าเป็นตัวทุกข์ ได้เกจิสงเห่านี้คือรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนยิ่งใดไม่เที่ยงอีนั่นเป็นทุกข์ยิงใดเป็นทุกข์ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราไม่ควรถือว่าเราว่าเราว่าตัวว่าตนของเราไปตู่ไม่ได้ ทิ้งได้เป็นทุกก็ไม่ตัวหล่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวหล่นของเรามันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่อยู่ตรงนั้นเราเห็นเราไม่เป็นแม้ ม, มันมีอยู่เราเห็นไม่เป็นเนี่ยขี่คอมันมันจะวิ่งไปทางไหนหมันก็คนแข่งขันกันวิ่งแต่เราขี่คอคนที่วิ่งดูบมนวิ่งนา ม, มันวิ่งแต่เราขี่บนคอ ขี่บนคอมันวิ่งไปที่ไหนมันแก่ขี่คอเพรความแก่ให้ความแก่เป็นความแก่เราจะไม่แก่เพราะความแก่ขี่คอมันมันเจ็บเห็นมันเจ็บเนี่ยง่ายง่ายเสียดายเสียนายเสียดายคนที่มีทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเพียรความตายเราเสียดายนองตายตัวเล้วมันยี่มได้นะ เก็บดูแลก็ยิ้มได้ไม่น่าจะลองให้ไม่น่าจะเศร้าโศกไปคิดไปไกลมันตัวต่อตัวแก่คนเดียวเก็บ ค, คนเดียวถ้าเราเก็บไม่เป็นก็คิดไปหลายเรื่องหลายยาวห่วงโน่นห่วงนี่ลองห่มลองให้เรียกคนช่วยเหลือเก็บก็เก็บคนเดียวเนี่ยมันตัวต่อตัวเนี่ยมันเฉพาะส่วนตัว มันเป็นส่วนตัวเราจะเราจะต้องไม่จนเรื่องข่าวต่มันเก็บจริงๆนะไม่จนจริงๆวันเด็กตะขาบกัดลองให้พาไปหาหมอพาไปหาหมอเาพาปหาหลวงตาที่วัดหน ล, ลากใชเด่น ก็อยา่ามลากดำใส่น้ำมะนาวปิดแผลล่างแผลให้มันก็บอกว่าหายแล้วหายแล้วอ่นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอะ น, นั่นก็ไปหาหมอแต่ส่วนจิตใจเราเนี่ยไม่เป็นเช่นนั่นจะไปหาหมอหมอจะรักษาได้ หมอจะรักษาไม่ได้ส่วนตัวเราเองไม่ไปห้อยไปเขียนไว้กับสิ่งอื่นแต่เหมือนจนคนนั้นโรคหวังอย่างรักษาหายโรคหวังอย่างรักษาไม่หายตะขาบกัดมันรักษาหายหายผวดได้เอาต้นพยารากดำผลใสหน้มามะนาวปิดปากแผล ด้วจากไปแย่าลากดําสเด่นอยู่ในวัดเราเยอะแยะเลยอันนี้ถ้าโรคอันอื่นรักษาไม่ได้ทำไมเจ็บไม่ใช่เจ็บข้างหนึ่งข้างเดียวเจ็บเรื่อยๆไปแก่ไม่ใช่แก่ข้างหนึ่งเดียวตายไม่ใช่ตายข้างหนึ่งมหาในอุปถัยรูปมันตายเมืเ่อเกิดบรรดาบ ก่ข um ีข้างขี่โหนอุปทายารูปทุกขีข้างขีหนอุปทายารูปหลงกี่ข้างขี่โหนในอุปทายารูปนี่มันมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันดับหลวงพ่ะเทียนพูดว่าอาการดับไม่เหลือแห่งนามรูปเรียกว่านามรูปนะอุปทายารูปเรียกว่านามรูป รูปนามคือขันคือขันห้าคือธาตุสี่ธาตุสี่ขันห้าดีหนา้าลมไฟไม่ใช่ธาตุสี่ธาตุหกประชุมมูลแบบแบบปะตินธาตุาน้ำธาตุลมธาตุไฟ ป, ปะิวิธาตุคือธาตุดินอะอโปธาตุธาตุน้ำวายุธ า, าตุธาตุลมใจธาตุธาตุไฟไฟอาอาโปธาตุ เตโชธาธาต์ไปมาอยู่าธาต์าตลมอากาศาธาต์ช่องว่างในในกายวิญญาณาธาต์คือความลู่ไลลได้มีหกนะวิญญาณาธาต์คือมันลู่ไลลได้นะมันลู่ได้ร้อนก็ลู่หนาวก็ลู่ยุงกัดก็ลู่หรือวิญญาณนะาธาต์มันสุก็เป็นทุกข์เป็นวันล็อกเป็นไม่เกียรติเป็นดับไม่เหลือ ขันหน้าที่เป็นอุปทานยะูกเป็นอุปทานนะขันเนี่ยดับไม่เถื่อหยุดหยุดแล้วันไม่มีแล้วจะให้ไม่สุขไปทุกข์กับอะไรไม่มีเราว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือไม่มีอะไรที่มาเกิดมาเกิไม่เกิดมาตายร่วมกันมิได้เห็นไปใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติ ตื่นแต่ดึกซึกจะหนุ่มให้เข้าถึงราวะเช่นนี้ชีวิตของเราจึงจะมีค่าโดยการปฏิบัติธรรมชูกรรมฐานพิชากกรรมฐานเพื่อการนี้โดยตรงหาานเขาให้หลงตาไปพูดอบลมยาสบปิดพี่ในวัดภูเขาทอง สองตำบลมาอบรมยาเิพติดเฉพาะผู้ดำผู้หญิบ้านกำนันอบตอสอมออะไรต่างๆผู้นำชุมชนประมาณเกือบสองรอยคนได้โชว์กรรมาฐานเนี่ยป้องกันก่อนที่มันจะหลง นั้นไม่มีสติตอนที่ไปติดยาไปทําชั่วมันไม่มีสติตตปตต้องกันที่แค่เจงกรรมฐ า, านจุดเลยจากไหนมาก็จบหมดเลยไม่มีอย่าเสพติดก็ไม่ในผู้ที่สึกษกรรมฐ า, านความหลง ม, มันมีความโกรธ ม, มันมีความทุกข์มันมีมีแต่ชีวิตลุนลวนไม่แต่ช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกัน เรายโชว์กันมาถานตอนนี้ปิดภาคเตียนได้ดูร้อนพวกเราหน้าอุ่นใจเห็นแม่ชีเห็นพระหนุนม่นมๆได้ช่วยกันรับงานบวชเนนวันนี้นี่ก็พวกเราก็นี่แหละป้องกันแล้วไม่มี งบประมาณไหลเหมือนรัฐบาลเก่ารัฐบาลก็มีงบประมาณมาผู้ที่เข้าโผล่ต้องรับเงินรายวันแต่เราขอโชว์กรรมฐานเป็นการป้องกันควงชั่วไร้ต่างๆเมื่อมามีสติมันป้องกันจริงก่อนที่มันทําชั่วมต้องหลงก่อนมีสติเห็นมันคิดเนี่ยเห็นมันคิดขึ้นมารู้สึกตัว มันก็ป้องกันตั้งแต่ทีแรกเราเราก่อนหน้าโนธนาไม่นลิกใฝฝันว่าจะมีผู้มีศรัทธามากไม่ขีพระนมทั้งหลายช่วยกันเนี่ยเราก็ชื่นใจสนใจเออหวังได้ที่พึ่งประเทศไทยพุทธศาสนาในเมืองไทยถ้าทำกันแบบนี้อะ่ะ ได้ที่พึ่งขาใจได้นี่เราประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยต้องต้องต้องสู้พอสมควรนะนะก็หน้าโมทนาเป็นพลังร่วมกันมีอะไรก็ ถึงเพ้ใจกันน้อตัวก็สั่งลาแล้วนะเ <c oughs> ขียนจดหมายลาแล้วอาจารย์อาสาออกขี้นอะไรออกอะไรไปทราบไปทั่วทั่วประเทศไทยไนหะ <c oughs> บางคนภูเก็ตอ่ต่อร <c oughs> อ, องว่าโอ้ย <c oughs> กำลังว่าจะหวังให้หลวงพ่อไปผู้แสดงธรรมที่ภูเก็ตอีกได้ประโยชน์เยอะ แล้ว่อทำไมยังหยุดรับนิมนต์จะน่าจะไปชักหน่อยก็ดีนะคิดต่อปีละครั้งเท่านั้นเองให้ผูกเกตนะโอว่าสั่งลาละโผล่ละนะนะ <c oughs> ขอเป็นลองต่อพรวัดอาศัยหมูอาศัยมิอยู่ให้ถ้าคิดต่อติดต่อจันตุ้มจันนุษนะงอบให้จันตุ้มจันนุษเป็นเจ้าของเรา เจ้านี่ตื่นขึ้นมาก็วัดตูความดันรู้สึกบินบินเวียนนะความดันถึงกับร้อยห้าสิบนะเจ้าเนี่ยถ้าเหนื่อยนักไม่ค่อยดีนะไอ้ผูที่ผู้ขทองโง่มากปากบวมเลยปากแรงเลยทำงานเล่นเร็วไม่ได้พะทำงานเล่นเร็วไวๆไปๆก็เลยตาตูกขึ้นมาอื้นตาไม่ขึ้นเลย ก็เลยเอ๊ะไม่ใช่เราคิดจะเลิกงานนะมั น, นแสดงถึงตาตูบเลยลืนตาไม่ขึ้นเลยเอ้าหูหนวกแล้วไม่ตาบอดอเต <laughs> ็มๆใช่ไหมใไหมมานอนพักนอนพักหน่อยหนึ่งเอ๊ะดีขึ้นมาได้เขียนหนังสือนีขึ้นมาเอ๊เอะเราหวนสมควรแล้วนะเนี่ยมันไม่อยอมไม่ใช่งานนะใช่ไหม จึงเมื่อเขียนหนังสือ น, นั้นออกมาไม่ใช่คิดขึ้นมาเขียนนะไปทำงานทุกที่ทุกหล่นหน่อยหน่อยไม่ได้แล้วอะไรตาตูบขึ้นมาเดินตามไมขึ้นเลยต้องเดินมมากติรีตา ม, มาเดินหมากติอโอ้โคนบอกตาก็บอกเราไม่รวยจะใครมาจูงอยู่อวันือนนีเลยอะแควรเจ้เวลากับภาพรวม